วันนี้เป็นวันอุโบสถแต่เป็นวันอุโบสถพิเศษทำไมจึงว่าพิเศษเพราะเป็นวันอสารหะเป็นวันอสาระหะบูชาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่ผมได้พูดมื้อเช้าและก็พร้อมกันพวกเราได้ลงอุโบสถในเมื่อลงอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ พวกเราจะได้พูดกันเกี่ยวกับกฎระเบียบที่จะปฏิบัติในพรรษาเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันหลายองค์เราปฏิบัติอย่างไรในพรรษาการถือธุดงคขวัดทำยังไงก่ อ, อให้พวกเราทุกท่าน มาบวชคราวนี้แปลว่ามาด้วยความตั้งใจไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นไม่ได้มาเพื่อเที่ยวเพื่อเต่ไม่ได้มาเพื่อหวังอยู่กินเป็นวันๆเรามาเพื่อฝึกหัดดัด น, นิสัยขัดเกลาตัวเองให้เป็นผู้มีอุปนิสัยแล้วว่าเป็นผู้มีจิตใจ เบาบางเรื่องมีจิตใจน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สรุปแล้วเพื่อการศึกษา<อ>เพื่อการศึกษาเพื่อเรียนรู้และก็ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยะัะนั้นพวกเราทุกองค์นะพระทุกองคในพรรษาเนี้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะได้ถือทุดงศรัทธาญาติโยมก็จะได้ มาใส่บาทนอกวัดจะมาใส่บาทนอกวัดจะมีใส่กระตอ๊อบนั่นแหละใส่นอกวัดกระตอ๊อบแต่ี้พวกเราทุกองเวลาจะบินทบาทก็ออกไปมิณ่าบาทสี่สายอย่างที่ว่านั่นนะ่ะก็พวกเราก็คงจะได้เวลาชาวนาคอยดูดูนะผู้ที่เขา้าผู้ที่พระเก่าก็แนะนําพระใหม่ เวลาไปแล้วก็ททำยังไงไปคอยกันกรจากนั้นบินทบาทเวลาบินทบาทถ้าเราไม่มีคนมารับบาทเราอาหารที่อยู่ในบาทอันไหนที่เราจะฉันได้เราไม่ต้องเอาเราไม่ต้องเอาออก <c oughs> เอาไว้ในบาทของเรานั่นเราหยิบออกแต่สิ่งที่ที่เราไม่ต้องการหยิบโจกออกโจออก แต่ของจะอยู่ในต้องในบาดของเราเราปิดไว้สําหรับท้องของเราบาดหนึ่งเนี่ยเต็มบาดมันอิ่มละแต่ข้อสาคัญเราเอาไว้ให้เพียงพออันไหนที่ไม่ต้องการเราก็ออกไม่ใช่ว่าเราเอาออกเอเขาเอาออกไหนเขออกหมดเว้นเสียแต่คนมารับบาดมันมันพอคือในปรรษานี่นะโจมว่า หลวงพ่อบิณฑบาทคนมารับบาตรหลวงพ่อเนี่ยเขาจะต้องเอาถวายหลวงพ่อแล้วให้องค์อื่นไม่รับหลวงพ่อไม่รับองค์อื่นเหมือนกันรับแต่ของที่ผ่านบาตรหลวงพ่อเท่านั้ น, นพวกเราก็เหมือนกันเวลาใส่บาตรเข้าไปแล้วก็รับแต่เฉพาะของอยู่ในบาตรถ้าว่ายมผู้ที่มารับบาตรเราก็มาถวายเราเราก็รับแต่ของโยมที่ผ่านบาตรเราเท่านั้น เราจะไม่รับองค์อื่นองค์อื่นองค์ไหนคนที่รับบาดเราเราก็จำเอาไว้ว่าใครเป็นคนรับบาดเราเรามองหน้าจำเอาไว้ถ้าเขาไม่จำเราเราก็จำเขาเอ้ยนี่ของของพ่อนะของครูบาเรามาเนี้ยอันนี้เราก็ต้องบอกเขาเนี่ยเป็นเด็กคือเป็นผู้ใหญ่ามากเป็นเด็กนี่ที่มารับเนะ่ยเขาอาจจะจำครูบาไม่ได้ เราต้องจำเขาไว้พอมาถึงซาลาแล้วก็เรียกเขามาอันนั้นของกูบานะเอามาพอปเป็นของเราแต่ถ้าว่าคนไม่มากทีนี้จว่าคนมาใส่บาทมากแต่คนที่รับบาทไม่มากเราจะทำยังไงถ้าจะรับทามันมันล้นบาทเราจะทายัางไง อันนี้เราก็ต้องเป็นสองส่วนรวมแล้วก็เทรวมกันไปเลยแล้วป่ะเนี่ยผลคนมันน้อยคนรับบาดมันน้อยเราก็เอาไว้ในบาดของเราอันไหนที่เราจะฉันได้เราต้อเอาไว้ในบาดเพียงพอในบาดพอแหละก็นอกจากนั้นออกจากของอื่นออกไปแล้วก็ออกเอาออ ก, ออ ก, อ, อ, กออกหมดเออเอามาเราก็ฉันแต่ของในบาดแต่ของคลนปนเปย์กันนะั้นเรารับไม่ได้เลยกันนี่ไม่เราไม่รับเพราะว่าอาหารที่ตามส่งมาภายหลังเนะี่ยเราไม่รับ นั่นสิ่งเหียวที่ให้พวกพระเก่าแนะนําพระใหม่ทาไม่เข้าใจก็แนะนําบอกกล่าวนะที่หลวงพ่อพูดนี่ยคือวิธีการปฏิบัติหลวงตามหาบัวท่านตั้งแต่หลวงพ่อไปอยู่กับท่านแต่หลวงปู่ล่าไม่ถือนะไม่ถือทุดงอย่างนี้ในตามส่งมาภายหลังท่านก็รับแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยแต่หลวงปู่ล่าเนี่ยใส่บาตนอกวัดแต่พอมาในวัดแล้วท่านแจ ก, กแบ่งกัน ฉันแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยใส่บาตรนอกวัดอย่างไรแล้วก็ต่างองค์ต่างฉันมีเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้น่หละคือไม่ไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังอันนี้เป็นทุโรงข้อวัดทุรงขวัดข้อหนึ่งเพราะนั้นเราหลวงพ่อเองก็ได้มาศึกษากองค์หลวงตาหลวงพ่อก็ได้นับรับแนวนั้นมาปฏิบัติแต่ทุกวันนิ่มก็ยังว่า อาหารการบริโภคมันมากมันไม่เหมือนแตะก่อนตะก่อนใครถ้าเราใส่บาตเกือบจะไม่พอไม่เต็มบาทใส่เข้าไปแล้วกับเรามีอะไรเราก็มาฉันอย่างบัตรตาดก็เหมือนกันสมัยก่อนคนก็ไม่มากนี่แต่อาหารในครัวก็ไม่กี่คนจานนกการอาหารของโยมบรรดาอาหารของชาวบ้านเราก็ใส่เข้าไปก็ไม่มากมากก็แก ะ, แกะห่อแกะถุงมาฉันแล้วก็ไม่เท่าไหร่ แต่ทุกวั น, นมันล้นมันล้นหลามไม้โลกกี่กระมังที่ติดตามมานี่มันก็เลยทำให้ยุ่งยากแต่ตามไม่จริงความมักน้อยที่หลวงตาพาทำมานั้นท่านเป็นพาให้เป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษแต่ทุกวันนี้ญาติโยมเขารู้ว่าพระท่านถือถือธุดงเขาก็มาใส่บาตรอย่างพวกวันพวกเราจะเห็นวันพรุ่งนี้มรืนนี้ เราจะเห็นแต่ทังยังไงก็อย่างหลวงพ่อบอกนะนะั่นแหะแต่เวลาบินทบาตรต้องไปพร้อมกันกลับมาเรื่องอาหงอาหารอย่าไปหลบหลบช่อนๆไม่ได้นะอย่าไปกินนอกจากศาลาแล้วห้ามเด็ดขาดถ้าองค์ใดก็ตามถ้าไปกินนอกนอกเวลัมเวลากินจุบๆจิบ ๆ, บๆกินอาหารที่ เก็บซ่อนเอาไว้เนี่ยไม่ได้นะถ้าตัวเองหิวให้มาฉันไม่ต้องอดอาหารถ้ามันหิวแล้วอย่าไปเอาส่งอาหารไปส่งให้กันองค์ ใ, ใดๆอาหารมาก็ไปส่งให้องคนั้นอเป็นขนมเป็นนมเป็นอะไรผลในสุดก็เหมือนกับพระไม่ได้อดอาหารอดแต่หลอกหน้าเฉยๆผลในสุดถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้น ไม่ควรจะมีเพราะบัณฑิตหลวงตาเคยด่าพระมาแล้วเอาเปิดให้ฟังก็ได้เพราะนั้นวัดเราอย่าอย่าได้เป็นอย่างนั้นถ้าองค์ไหนไปฉันก็ไปฉันจ้ะมาฉันก็มาฉันไม่ควรเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปบลบว่าพระขี้เกียจบินธบาตหลบหลบซ่อนๆ่อนแบ่งกันไปบินธบาตแล้วก็แบ่งกันมาพักพักฮะพักพอน แบ่งกันพักแบ่งกันไปอย่างนั้นดูดูแล้วไม่ถูกต้องที่ลวงตาท่านเคยด่าใน MP3 มพสในเทปนะดันดุให้พระปีต่ไนในปีสองเจ็ดเทศกันนั้นรู้สึกว่าเป็นคติเป็นตัวอย่างอย่างดีมากถึงลวงจะลวงตาจะผ่านไปแต่แนว แสดงธรรมและแนวความคิดของหลวงตาเนี่ยยังเผ็ดมันถูกต้องทันสมัยกับพระหัวดื้อหัวลั่นอ่านณันขอให้พวกเราทุกๆองค์นะเข้ามาบวชในคราวนี้เราไม่ได้มาแอบจูแอบกิน เ, เรามาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ใหถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย เราจะเป็นพระที่บริรสุทธิ์ในศีลถึงจะไม่บริสุทธิ์ในธรรมหมดจดจากกิเลสแต่เราเป็นผู้บริรสุทธิ์ในศีลให้มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีอะไรให้ถามกันถ้ามีอะไรไม่สบายพระผู้ใหญ่ก็ต้องดูนะพระผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษาอย่าให้ถึงผมช่วยกันพิจารณามีอะไรก็ ขาดเหลือขาดตกก็แบ่งกันอยู่กันใช้แต่ว่าของใช้ที่มาที่เขามาทําบุญมาเลินเทินเทึกนะให้พวกท่านทั้งหลายช่วยช่ยช่วยกันแก่เก็บแล้วก็แจกพระวัดต่างๆวัดไหนที่ขาดเหลือขาดตกบกพ่องพวกท่านทั้งหลายจะไปเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้มันกองพลันเทินเทึกมันเสียหายจากนั้นก็ให้แจกพวกคณะสัตยาญาติโยมพวกชาวบ้านเขาที่เขา ที่จำเป็นจะต้องได้ใช้มีไหมก็แบ่งปันไปแต่จะไปให้องค์ใดองค์หนึ่งเอาให้นะถ้าองค์ใดองค์หนึ่งเอาให้ก็อบโกยให้แต่พักแต่พวกแต่ญาติแต่โยมของตนเองอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมฉันทากติโทสกโากติโมหคติพยาคตินําเอียงเพราะรักใครกันเพราะลำเบียงเพราะโกรธกันลำเบียงเพราะไม่พอใจกันนําเอียงเพราะความหลงมัวเมาอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องให้เป็นธรรม ของได้มาโดยเป็นธรรมได้มาได้มาโดยคณะสงฆ์ของวัดป่านาคําน้อยต้องแจกโดยคณะสงฆ์ให้เป็นธรรมไม่ใช่แบบมุกมิบมุกมิผลให้กันเคยเห็นมาหลายแห่งหลายหนไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะวัดเรานะต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่นะนี่แหละอติเลกขลาบจุดนี้แหละมันทำให้ทะเลาะกันได้ง่ายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะเราบวชมาเพื่ออะไรเราบวชมาเพื่อ มักเพื่อผลเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความถูกต้องเพราะนั้นอย่าให้มีสิ่งที่โลภโหโมกะนะเห็นแก่พักเห็นแก่พวกเห็นแก่ญาติแก่โยงไม่ได้นะแต่แเราควรู้จักการลเทสามบุคคลการชนิดบุคคลชนิดการสถานที่อย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องได้คิดอีกเหมือนกันแต่อย่า ก็ไม่ใช่ว่ า, าทำแบบเห็นแก่พักแก่พวกจนไม่เห็นแก่ใครอันนั้นไม่ถูกนะพวกท่านทั้งหลายนะไม่ใช่ทำวินัยนะแต่ว่าต้องแบ่งได้มาโดยเป็นธรรมแล้วก็ต้องแบ่งแบ่งปันให้แก่หมู่พวกเพื่อนขาดเหลือขาดตกอ่แบ่งไปให้ได้ใช้ท า, ามันไม่มีบอกเราท า, ามันหมดแล้วก็บอก แต่มันทาว่ามันมีมากอยู่แล้วแบ่งจนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักเก็บไว้ใช้ให้เดือดร้อนแต่เราอยู่เรื่อยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะะมีอะไรให้ลวงพ่อสั่งอยู่เรื่อยไม่ไหวเหมือนกันพวกเราต้องรู้จักแบ่งกันให้พอใช้ถ้ามันไม่พอใช้เราก็ต้องเก็บไว้ถ้ามันเกินความจําเป็นแล้วเก็บไว้ทํำไมต้องเฉลี่ยออกไปเนี่ยสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อไม่ให้ใช้ความ ซื่อนะไม่ใ ช, ไใช้ไม่ใช้ความเซ้อนะให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบคอบในการบริหารอยู่ด้วยกันแตนะ่ต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างใช้ความรอบคอบพินิจพิจารณาไตรทองเหตุและผลการอยู่ด้วยกันวัดของเราก็จะเป็นผึกแผ่นร่มเย็นเป็นทุกได้แต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่ไม่รับผิดชอบขาดความรับผิดชอบมีแต่มาอยู่มากินเฉย มีตมาดูปล่อยให้ความรับผิดชอบไม่มีอย่างนั้นหนักวัดนะพระอย่างนั้นทามากมากด้วหนักวัดอยู่ที่ไหนก็หนักหมดเพราะพระขาดความรับผิดชอบนะเพราะนั้นพวกเราทุกองนะให้ตรวจตาดูตนเองนะไปอยู่นักสถานที่ใดอย่าให้หนักอย่าให้หนักพ่อหนักแม่หนักมูหนักเพื่อนหนักวัดวาศาสนาหนักวัดหลวงพ่อให้รับผิดชอบ ตัวเองช่วยช่วยกันหน้าที่อะไรปฏิบัดกิการทำความสะอาดมีหน้าที่อะไรให้ช่วยกันทําไม่ใช่มีแต่ช่วยกันใช้ช่วยกันอยู่กันกินแต่เวลาทํางานอื่ดดาดเงยนายเกี่ยงคนนั้นเกี่ยงคนนี้อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อนะไม่ใช่คนหลวงพอ่อถ้าคนหลวงพ่อแล้วเหมือนเอาไว้ยวะเหมือนแข้งขาตีนมือของหลวงพอ่อทําแทนหลวงพ่อได้ทั้งหมดอันนั้นคือ ผู้เข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อมาอยู่กับหลวงพ่อมาอยู่แล้วก็ทำให้หลวงพ่อเบาใจไม่ได้หนักใจแต่ถ้ามาพวกท่านทั้งหลายมาอยู่แล้วไม่รับผิดชอบนั่นหลวงพ่อหนักใจนะมันหนักหนักมันหนักลึกๆ ก, ก, กันนะเพราะนั้นพ ว, พวกเราท่านทั้งหลายแต่ทีผ่ผ่านมามันก็บางครั้งมันก็มีเหมือนกันแต่ ก็บางองค์ก็ตั้งอกตั้งใจดีมันก็เฉลือดถลัวกันถัวกันมั้งมันก็พอเป็นพอไปแต่ถึงยังไงก็ให้ทุกองค์นั้นรับผิดชอบร่วมกันของพ่อว่าจะก็จะดีนะกันอยู่ด้วยกันนะอนิพพ์กล่าวมาทั้งหมดนี่ก็คือกฎระเบียบการเป็นอยู่ด้วยกันจะว่าศีลก็ใช่ศีลทุวินัยก็ใช่กฎระเบียบก็ใช่กฎหมายก็ใช่ กฎการอยู่ร่วมกันก็ใช่พูดอะไรมันถูกหมดนั่นแหละสรุปแล้วก็คือให้อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขเพราะเรามีทั้งสี่สิบแปดชีวิตนะอยู่ด้วยกันเป็นพระแต่บอกเลยเลยว่าอย่าไปล้ออย่าไปเล่นกันอยู่ด้วยกันผลที่สุดมันจะทะเลาะกันได้ง่ายๆแต่พวกเราไปล้อเล่นกันให้ต่างองค์ต่างอยู่ให้มีศีลาจาวัดอยู่ด้วยความสงบ อยู่ด้วยันความสัมรวมอ่าจะไปใช้เสียงมาที่ศาลาเน่จะไปใช้เสียงอใช้เสียงให้น้อยที่สุดใช้มืออ่าลงตามดูวัดป่าบรรดาท่านไม่ให้ใช้นเสียงนะท่านใช้แต่เสียงองเดียวถ้ามีความจำเป็นท่านจ้ใช้ยะถาให้พรตอนเช้าน่ะท่านห้ใช้เสียงอ่าเป่งเสียงออกมาให้เป็นเสียงจิตจะรลักษณะให้เป็นเสียงธรรม ถ้านอกจากนั้นไอ้เสียงพูดเสียงคุยกันท่านไม่ให้ใช้มีแต่ใช้มือเท่านั้นนะใช้มือมือครูบาอาจารย์จะงงพ่อพยายามใช้มือเหมือนกันจะไม่ใช้เสียงถ้ามันเสียงคนนั้นก็ใช้เสียงคนนี้นก็ใช้เสียงมันบรบกวนมันถนันวันไว้ไปหมดไม่ใช่พระกรรมฐานพระกรรมฐานต้องอยู่ในความสงบไม่ใช้เสียงไปที่ไหนมีสติ สติเนี่ยเป็นสั่งสิ่งที่จาเป็นสาคัญอย่างมากนะการทำงานสิ่งชิ้นไหนก็ตามถ้าทำด้วยสติมันน่าดูนะสวยงามรอบคอบไม่ผิดพลาดถึงจะผิดพลาดก็ผิดพลาดน้อยที่สุดโดยมากมันจะไม่ผิดพลาดเพราะคนมีสติทำงานถ้าคนขาดสติทำงานทำแบบปั๊มปัมปั๊มเป๊ะๆทำไม่รับผิดชอบนั่นแหละมันดูถึงจะทำออกมาแล้วมันก็ไม่ไม่ดู ดูไม่ดีไม่ภาคภูมิใจในงานที่ออกมาการพูดที่เกี่ยวข้องเห็นเห็นแล้วก่อนมัอย่างนั้นอย่างนั้นล่ะเพราะอะไรเพราะคนทําไม่ตั้งใจขาดจิตในการทำเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะทําอะไรเช็ดถูพื้นอะไรก็ตามทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความใส่ใจดูอีกว่ามันเช็ดมันสะอาดไหมมันมีผงทุลีอยู่จุดไหนอย่างไรชอกไหนมันมีเศษผ้ามีอะไรไหม ต้องตู้ให้สะอาดให้เรียบร้อยนี่แหละวิธีการทำงานรับผิดชอบเราทำเพื่อใครรำทำเราทำเพื่อเราเราทำเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำเพื่อวัดวาศาสนาเรามาอยู่ในวัดวาศาสนาเราต้องทำเพื่อวัดวาศาสนาวัดวาศาสนาเป็นของใครเป็นของเราเป็นตัวของท่านเองไม่ใช่ของหลวงพอ่อไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ ท่านเป็นเจ้าก็จริงอยู่แต่ท่านไม่ได้มาใช้กับเราเราเป็นคนใช้เพราะฉะนั้นเป็นของเราเราต้องดูแลต้องช่วยการรับผิดชอบทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นการอยู่โดยการเนรียหลวงพ่อเนี่ยเป็นห่วงนะถ้าพะมากๆขึ้นมาแล้วโหลโลเรี่ยๆไปเรื่อยๆมากกี่ควายหลายขี่ช้างหลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นให้มากด้วยคุณภาพให้มีคุณภาพ เวลาเห็นคู่เห็นคนเข้ามาอย่าไปใกล้เขาอย่าไปแซงเขาใหนะ้อยู่ห่างๆอันนี้คือเราเป็นพระเวลาญาติโยมผู้หญิงลงบันไดเราไปแซงเขาลงอันไม่ได้นะไม่ได้เห็นนะัไม่ถูกเลยเราไม่ใช่คารวะเราเป็นพระเวลาจะไปที่ไหนเราต้องรู้ว่าเราเป็นพระไม่ใช่ว่าไปที่ไหนจะแซงเข้าไปเสียดสีเขาไปไม่ใช่นะไม่ใช่เราเป็นโยมนะ เขาผู้มีความให้หลีโตบ่เขาก็เกงใจต้องหลบปลีกพระตัวเองในช้อยแสดงว่าไม่รู้จักว่าเรานี่คือใครเราเป็นผู้มีศักดิ์ศรีเราเป็นผู้มีเกียรติเราสงาา่ากาสาวพัดเราเป็นลูกของพระพทุทธเจ้าใครใครก็กลัวใครๆก็เกรงแต่ตัวเองไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองเออจะนั่งที่ไหนก็นั่ง เ, เพ้อเพ้อจะให้เด็ก เอามือรูปหัวเล่นเดูดูแล้วไม่รู้จักศักดิ์ศรีของตนเองใช้ไม่ได้พระอย่างนั้นยิ่งมีเป็นพระที่มีอายุพรรษานะ่ถ้าไปทําอย่างนั้นยิ่งดูไม่ได้เลยเมื่อเป็นสมภารจะทํายังไงเมื่อไปเป็นหัวหน้าเขาจะเป็นยังไงไม่รู้มิไม่มีศักดิ์ศรีใช่เลยเป็นก็เป็นหัวหน้าของหัวหน้าอย่างนั้นะหัวหน้าไม่มีศักดิ์ศรีใช้ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยเลยอหลวงพ่อเองไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ หลวงพ่อต้องเชื่อมั่นในตนเองต้องเป็นผู้มีศักดิ์ศรีได้หรือไม่ได้ยังไงอยู่กับตัวเองทั้งหมดต้องรักษาดูแลให้เข้มงวดขวดขันถ้าจิงตถวนี้นะถ้าวาพระภาวนานะถะถ้าพระมีหลักใจนะหลวงพ่อพูดเนี่ยจะจับป๊บเลยทันทีเลยถ้าพระหลักรอยบ้ า, บ, าบ้องๆน่จับไม่ได้หรอกอแสดงว่ามันลอย หลักมันลอยใจมันลอยอมันไม่มีอะไรเป็นกฎเป็นเกณฑ์พ่อใจมันลอยมันบ้าบ้าบองบองไปเรื่อยๆปิดมันวันไปเฉยๆอย่างนั้นน่ะมันเห็นแล้วก็หนักใจนะจะไล่นี้ออกจากวัดหรืออะไรอยู่ฮจะให้อยู่แล้วไงมันจะเป็นทําให้คนอื่นเสียอีกต่างหากทีนี้มันก็อักกระวนเหมือนกันนะเราเห็นไม่ใช่เราไม่รู้นะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอแต่ว่า ถึงไม่ไ ม, ไม่ถึงเขาพูดเราไม่พูดแต่อีกสักวันหนึ่งเหมือนกันนะ่ะเราก็ดูดูไปเหมือนกันให้พวกท่านทั้งหลายดูนะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกุฏิของตนเองนะดูนะให้สะอาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปดูจะไปดูตรวจสุ่มดูเป็นหลังๆเหมือนกันนะ่ะท่าหลังไหนตั้งแต่หัวหน้าเลยนะ่ะไปท่านดูรู้แล้วสกับปกนะ่ะหลวงพ่อจะไล่แหลกเลยนะะไม่ทําความสะอาด มันอยู่ไปยังไงอยู่แบบหมูๆมเก่งๆเลยเนยมันไม่ทำความสะอาดมันไม่ใช่เรื่องของพระพระต้องดูสช่ต่อไปจะเป็นตัวอย่างแบบอย่างของพระน้องพระนุ่งต่อไปภายภาคหน้าเราจะอยู่แบบไม่มีวิดไม่มีทมไม่มีวินัยได้อย่างไรเนี่ยมันต้องดูที่พักพาอาศัยต้องสะอาดเรียบร้อย ปัดกวาดยักเกี้ยวักใยดูเสนาชนะไม่ใช่ว่าจะไปหาถืองานนอกเป็นสําคัญกว่าที่พักพ้าใสาของตนเองมันแย่มันแย่มากเลยถ้าเป็นลักษณะ น, นั้นพระองค์นั้นต่อไปภายภาคหน้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ออกไปก็ไม่คุ้มตัวเองไม่รู้จะสอนใครโตโตเต๋ตตตตไปอย่างนั้นแอบบ้าบ้าบองบองไปอย่างนั้นมันใช้อย่างนั้นไม่ได้นะพวกท่านทั้งหลายนะมองตนเองนะ มาเพื่อการศึกษานะเราสอนพระให้เป็นพระที่แข่งนะให้เป็นพระที่ดีนะมีคุณภาพนะมีคุณธรรมในจิตใจนะให้มีหลักพระธรรมวินัยประจำใจนะเราไม่ได้สอนให้พระโลละแหละนะ่อยู่เป็นวันๆไปไม่ได้นะอย่างพระสูบูุหรี่ก็เหมือนกันกดเข้ามาแล้วอย่างนั้นพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติยังไงจะปฏิบัติยังไงจะเรียกให้ตํารวจมา ไล่เบียร์เหะอพวกท่านทั้งหลายระวังกันแล้วกันนะอ่กฎก็คือกฎระเบียบคือระเบียบ์นะกฎหมายก็คือกฎหมายนะพวกท่านจะพิจารณากันยังไงให้พวกท่านทั้งหลายคิดกันแล้วกันนะผมไม่ว่าเอแต่ว่ามันมีกฎขึ้นมาแล้วพวกท่านทั้งหลายต้องช่วยกันคิดกันแล้วกันปรับปรุงตัวของท่านเองก็แล้วกัน ถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่ปรับปรุงนะใครจะปรับปรุงให้เราต้องช่วยกันคิดนะสิ่งเ่านี้นะวันนี้ปูดให้เป็นแนวความคิดท้ายพระพระปฏิโมกข้ออนี้ไปก่อสุดท้ายปฏิโมก